แต่ว่าผู้ที่ศึกษาในาศาสนาเนี่ยนะจะต้องรู้กรรมที่ไม่เสมออย่างใดอย่างหนึ่งในโลกว่าเป็นกรรมที่ไม่สม่ำเสม อ, อนะคือจะต้องแยกแยะบุญบาปออกกันนะถ้าแยกแยะบุญบาปไม่ออกเนี่ยนะโดยเฉพาะไม่รู้บาปโดยความเป็นบาปนี่มันยากเหมือนกันนะที่จะเจริญ ง, งอกงามในาศาสนานี้อั้นข้อที่สําคัญจะต้องรู้บาปโดยความเป็นบาปรู้อกุศลโดยความเป็นอกุศลรู้สิ่งที่มีโทษโดยความเป็นสิ่งที่มีโทษนี่ยงั้น พึงรู้ว่ากรรมอันไม่เสมอก็คือสัตว์ผู้เกิดมาพึงรู้พึงรู้ทั่วรู้แจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะว่าที่ไม่เสมอนะที่ชั่วปานาติบาตอธินาทานการเมสุมิชาจา์อันนี้เป็นกายทุจริตหรือว่ามุสาวาตปิสุนาวาจาพุทวาจาสัมผัปราปะอันนี้เป็นวจีสุจริตอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฐิอันนี้ก็เป็นมโนทุจริต สังขารทั้งหลายในกามคุณห้านิวรณ์ห้าเจตนาความปรารถนาความตั้งใจอันไม่สม่ำเสมอนี่ชื่อว่ากรรมที่ไม่สม่ำเสมอก็คือรู้จักโทษรู้จักกายทุจริรตวจีทุจริรตมโนทุจริรตรู้จักอกุศลกรรมบทรู้จักว่าเออเนี่กรรมเหล่านี้นำไปสู่อบายนะ่ารู้ว่านี่ สังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้รู้ถึงโทษภัยของการเพลิดเพลินติดข้องในกามรมคุณห้ารู้ว่าเออเนี่ยนิวรณ์ทั้งหลายมันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้ความจดั้งใจแบบนี้ไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องแยกให้ออกว่าอะไรมันไม่ดีเนี่ยนะเกิดก็ว่ารู้ความชั่วโดยความชั่วและรู้ผลแห่งความชั่วต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ความชั่วโดยความเป็นความชั่วอย่างนี้แล้วก็ ไม่พึงประพฤติกรรมอันไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งกรรมอันไม่สม่ำเสมอเพราะนั้นก็อย่าไปทำความชั่วความว่าสัตว์ผู้เกิดมาไม่พึงประพฤติไม่พึงประพฤติเอื้อเฟือไม่พึงประพฤติไม่พึงเอื้อเฟือประพฤติโดยชอบไม่พึงสมาทานประพฤติซึ่งกรรมอันไม่สม่ำเสมอสรุปว่าอย่าไปตั้งใจทำความชั่วนะอย่าไปถือเอาประพฤติในการทำความชั่วเด็ดขาด เพราะเหตุแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมปานาติบาตอธินนาทานการเมสุมิจฉาจารมุสาวาตปิสุณาวาจาพุทวาจาสัมผัสปลาปะคืออย่าไปตั้งใจสมาทานกรรมที่ชั่วทางกายอย่าไปประพฤติสมาทานความชั่วทางวาจานะและก็ความชั่วทางใจคืออภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิสังขารทั้งหลายกามคุณหนิวรห้าเจตนาความปรารถนาความตั้งใจอันไม่สมเสมอ คือให้รู้จักทุกจักโทษรู้จักบาปรู้จักอกุศ ล, ลก็นักหลีกเลี่ยงบาปลีกเลี่ยงอกุศลที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะ น, นำไปซึ่งวัตทนนุน่ะนะนำไปซึ่งทุกขที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่านักปรักทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยเนี่ยนะชีวิตเนี่ย น, น้อยถามว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยนะชีวิตที่มันน้อยเนี่ยนะ ชีวิตก็คือเครื่องเป็นอยู่แห่งสัมปยุตธรรมเนีย่ยนะถ้าชีวิตตรูปก็คือทําให้กรร ม, มชรูปเป็นอยู่ถ้าชีวิตตนามก็ทําให้นามคือจิตเจตสิกเนี่ยดำรงอยู่เพราะฉะนั้นเรียกว่าเครื่องที่ทําให้วิบากและกรร ม, มชรูปดํารงอยู่นั่นแหละชื่อคือชีวิตเนี่ยนะคือชีวิตเพนั้นได้แก่อายุเนี่ยนะอายุคือชีวิตะะออนะวตินซีเนีย่ยนะความตั้งอยู่ความดําเนินไปความให้อัตภาพดําเนินไป ความหมุนไปความเลี้ยงความเป็นอยู่ชีวิตอินซีเนี่ยนะคือความเป็นใหญ่ในการรักษาอันนี้แหละเรียกว่าชีวิตชีวิตนี้มันเป็นของน้อยเนี่ยนะชีวิตเนี่ยเป็นของน้อยอ่ะน้อยยังไงเนี่ยนะบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นของน้อยเนี่ยน้อยด้วยเหตุสองประการชีวิตที่เป็นของน้อยสองประการก็คือน้อยเพราะตั้งอยู่น้อยอย่างหนึ่งน้อยเพราะมีกิจน้อยเนี่ยอย่างหนึ่ง ชีวิตที่ว่าเป็นของน้อยเพราะว่าตั้งอยู่น้อยเนี่ยนะที่ติขณะนี้น้อยเหลือเกินน้อยอยังไงตั้งอยู่น้อยอยังไงอธิบายว่าชีวิตนี้เป็นอยู่แล้วในขณะจิตเป็นอดีตย่อมไม่เป็นอยู่จักไม่เป็นอยู่ก็แปลว่าชีวิตในอดีตมันก็ตั้งอยู่เฉพาะในอดีตเท่านั้นแหละมันไม่ได้มาตั้ง กำลังเป็นอยู่ขณะนี้นะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปข้างหน้านะเพราะฉะนั้นชีวิตในอดีตมันหมดไปแล้วในอดีตสิ้นไปแล้วในอดีตไม่เหลือแล้วในอดีตนั่นนะอันชีวิตในความเป็นหนุ่มเป็นสาวของเราทั้งหลายมันหมดทั้งแต่ในอดีตหมดแล้วไม่มีเหลือปัจจุบันแล้วส่วนชีวิตจากเป็นอยู่ในขณะจิตเป็นอนาคตไม่เป็นอยู่ไม่เป็นอยู่แล้วนะฉะนั้นชีวิตข้างหน้าต่อไปเนี่ยมันก็คือชีวิตข้างหน้านั่นแหละมันไม่ใช่ชีวิตในอดีตไม่ใช่ชีวิตในปัจจุบัน ส่วนชีวิตเป็นอยู่ในขณะจิตปัจจุบันเนี่ยนะไม่ไม่เป็นอยู่แล้วไม่ไม่ใช่ไม่เป็นอยู่หมายถึงว่าชีวิตที่อยู่ในปัจจุบันก็ดำรงอยู่แค่ในปัจจุบันไม่ใช่ชีวิตในอดีตไม่ใช่ชีวิตในอนาคตก็เท่ากับว่าชีวิตในสามกาลไม่ได้ปะปนกันชีวิตในอดีตก็คือในอดีตชีวิตปัจจุบันก็คือปัจจุบันชีวิตในอนาคตก็คือในอนาคตชีวิตในอดีตก็หมดสิ้นไปแล้วในอดีต ชีวิตในปัจจุบันก็กําลังหมดอยู่ในปัจจุบันชีวิตในอนาคตก็จะหมดไปในอนาคตเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไปว่าชีวิตคือสังขารขันเนี่ยนะอัตภาพคือรูปประคันสุขและทุกข์คือเวทนาขันทั้งมวลคือในปัจจวการะพบเนี่ยไม่มีความยั่งยืนเป็นธรรมะประกอบกันเสมอด้วยจิตดวงเดียวเนี่ยนะทว่าโดยขณะจิตเนี่ยนะชีวิตก็แต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิต รูปทั้งหลายก็กรร ม, มชรูปก็ดำรงอยู่ในกรร ม, มชรูปเหล่านั้นขณะย่อมเป็นไปพลัน น, นะชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็ ว, วงไงเทวดาเหล่าใดย่อมตั้งอยู่ตลอด 84% ดหมพันกับเทวดาเหล่านั้นก็ย่อมไม่เป็นผู้ประกอบด้วยจิตสองดวงเป็นอยู่เลย น, นะเนวสัญญานาะสัญญายตนาภ พ, พเนี่ยนะหรือพรหมชั้นภวักกับพรหมเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยจิตทีละขณะไม่ใช่มีใครเป็นอยู่ด้วยชีวิต สองขณะนะขันเหล่าใดของสัตว์ผู้ตายหรือของสัตว์ที่เป็นอยู่ในโลกนี้ดับขันเหล่านั้นทั้งปวงเทียวเป็นเช่นเดียวกันดับแล้วมิได้สืบเนื่องกันนะคือขันสมมติว่าของเราอะนะที่ตายไปแล้วในอดีตมันก็หมดแล้วจบแล้วสิ้นแล้วในอดีตใช่ไหมก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันของในชาตินี้ที น, นี้ไอของชาตินี้มันก็จะหมดในชาตินี้มันไม่เลยไปหาชาติหน้านรกเหมาอนั้น ขันของสัตว์ผู้ตายแล้วหรือที่เป็นอยู่ในโลกดับไปเนี่ยนขันเหล่านั้นทั้งปวงเป็นเหมือนกันโดยความดับเพราะฉะนั้นขันในอดีตก็เคยแตกดับแล้วในอดีตขันในปัจจุบันก็กำลังแตกดับอยู่ในปัจจุบันขันในอนาคตก็จะแตกดับในอนาคตขันเหล่าใดแตกไปแล้วในอดีตเป็นลำดับขันเหล่าใดแตกไปแล้วในอนาคตเป็นลาดับความแปลกแห่งขันทั้งหลายที่ดับไปในปัจจุบันกลับด้วยขันเหล่านั้น ย่อมไม่มีคือขันในอดีตมันหมดแล้วในอดีตใช่ไหมขันในอนาคตก็จะหมดในอนาคตไอ้ขันปัจจุบันมันจะต่างอะไรจากอดีตกับอนาคตมันชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยนะมันจะแตกทำลายเหมือนขันในอดีตมันจะแตกทำลายเหมือนขันในอนาคตเหมงนันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยขันอดีตอนาคตเนี่ยอันเดียวกันไหมตัวเดียวกันไหมใช่อันเดียวกันไหมไม่ใช่เนี่ยนะก็คนละอย่างแต่ว่าโดยลักษณะความแตกเนี่ยเหมือนกัน ขันอดีตอนาคตปัจจุบันแตกเหมือนกันแต่ว่าขันอดีตก็ขันหนึ่งขันปัจจุบันก็ขันอย่างหนึ่งขันในอนาคตก็ขันอีกอย่างหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสืบเนื่องแก่กันและกันในลักษณะสัตว์ไม่เกิดแล้วด้วยอนาคตขันย่อมเป็นอยู่ด้วยขันที่เป็นปัจจุบันสัตว์โลกตายแล้วเพราะความแตกแห่งจิตนี้เป็นบัติทางปรมัศนถ้าจุติจิตเกิด ไม่มีผวังขจิตสืบต่อไปอีกก็เรียกว่าคนตายเนี่ยนะนชีวิตก็เป็นอยู่เท่านี้แหละนะถ้าตายแล้วกรรมก็พาปฏิสนธิใหม่อั น, นะนั้ปฏิสนธิผวังก็รักษาภพนั้นไปเมื่อมีผวังรักษาภพนี้ก็ทํากรรมใหม่ผวังคจิตอันนั้นเคลื่อนไปก็ปฏิสนธิก็ไลสืบเนื่องกันไปลักษณะนั้นขันเหล่านี้ไม่ได้มีความมั่นคงท้าวลอะไรเลยเนี่ยนะแต่อาศัยสิ่งเหล่านี้สัตว์ก็บัญญัติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล ขันทั้งหลายแปรไปโดยฉันทะย่อมเป็นไปเนี่ยดุดน้ำไหลไปตามที่รุ่มฉะนั้นชีวิตที่เป็นไปเนี่ยนะแม่น้ำที่ไหลไปจากภูเขาเนี่ยค่อยๆไหลไปเรื่อยๆฉันใดเนี่ยชีวิตของศาตร์ทั้งหลายก็ไหลไปอย่างนั้นเหมือนกันนะย่อมเป็นไปตามวาระไม่ขาดสายเนี่ยนะขันเนี่ยมันสืบเนื่องกันดุดกระแสน้าไหลเพราะอายตนะหเป็นปัจจัยเนี่ยนะ คืออายตนา6เนี่ยนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะก็มีนามรูปเป็นปัจจัยมีกรร ม, มวิญญาณเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้อายตนะเหล่านี้มีอยู่ทีนี้เมื่ออายตนาเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้ก็เป็นปัจจัยแก่ภาษาเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเป็นปัจจัยแก่ความรู้สึกนึกคิดเป็นปัจจัยแก่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมขันทั้งหลายแตกแล้วไม่ได้ถึงความตั้งอยู่นะขันที่หมดในอดีตก็หมดไปแล้วในอดีตสิ้นไปแล้วในอดีต กองขันไม่ได้มีในอนาคตอนาคตเนี่ยมีขันไปเกิดรออยู่ไหมมีของเราไปรออยู่ที่ไหนหรือยังไม่มีเนี่ยนะมันไม่ได้ไปกองรวมรออยู่ในอนาคตขันทั้งหลายที่เกิดแล้วตั้งอยู่เหมือนเมล็ดพันธุ์ถักาับนปลายเหล็กแหลมเช่นั้นอันนชีวิตที่เป็นอยู่นะไอ้ที่เสื่อมก็เสื่อมไปที่สิ้นก็สิ้นไปแต่ได้ปัจัยมันก็ไอ้ที่เกิดก็เกิดไปไอ้ที่สิ้นก็สิ้นไปไอ้ที่เสื่อมก็เสื่อมไปที่หมดก็หมดไปเหมือนขบวนของรถเนี่นะ รถที่มันเป็นขบวนเหลืล่อมล้ํากันไปอย่างนี้เรื่อยๆที่หมดก็หมดไปเหมือนขบวนของโคก็เหมือนกันลักษณะนั้นนะกูโคะนะมันเหลื่อมล้ําไปในที่เกิดก่อนก็ดับก่อนในที่เกิดหลังก็ดับหลังก็เป็นไปสืบเนื่องอย่างนี้แหละก็ความแตกแห่งธรรมขันทั้งหลายที่เกิดแล้วนั้นอะสกัดอยู่ข้างหน้าแห่งสัตว์เหล่านั้นสรุปว่าความตายเนี่ยมันขัดอยู่ข้างหน้าหมดนะในที่สุดขันอันนี้ก็ต้องแตกทําลายขันทั้งหลายมีความทําลายเป็นปกติ แล้วว่าตายแน่นอนนะนะมิได้รวมกันกับขันที่เกิดก่อนย่อมตั้งอยู่ขันทั้งหลายมาโดยไม่ปรากฏแตกไปแล้วก็ไปสู่ในที่ไม่ปรากฏย่อมเกิดขึ้นและก็เสื่อมไปเหมือนสายฟ้าแลบในอากาศฉะนั้นอันะเวทนาขันเนี่ยมันมาจากไหนมันเกิดมาก่อนหน้านี้ไหมไม่เกิดอาแล้วมันหายไปตรงไหนไม่ได้หายไปไหน อย่างเสียงของมาพูดมันกองอยู่ตรงไหนก่อนหน้านี้พูดมาแล้วแล้วเสียงมันหายไปไหนอ่ะนะชีวิตของเราที่เกิดมาในแล้วมาจากไหนอ่ะมีอยู่ก่อนหน้านี้ไหมล่ะไม่ใช่มาประชุมรวมอ่ะถ้าตายแล้วมันจะหายไปไหนก็เป็นอย่างนี้แหละขันทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้นันทุกภพทุกชาติที่เกิดมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะสำหรับขณะที่สัตว์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันน้อยอย่างนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าชีวิตที่เกิดมาแล้วมันตั้งอยู่น้อยเนี่ยนะ รูปที่เป็นกรรมมชืรูปก็ตั้งอยู่น้อยจิตแต่เชรูปก็ตั้งอยู่น้อยอุตูชรูปอาหารชรูปแต่ละอย่างก็ตั้งอยู่น้อยเนี่ยนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็แต่ละอย่างก็ตั้งอยู่ทีละเล็กทีละน้อยของละนิดอย่างละหน่อยเท่านั้นแหละทีนี้พูดถึงชีวิตเนี่ยนะตั้งอยู่น้อยเพราะกิจน้อยเมื่อกี้พูดถึงตัวชีวิตจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่นานอะไรนี่ก็มาดูปัจจัยของชีวิตเนี่ยนะชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยนะ ปัจจยัยของชีวิตคืออะไรบ้างอ่ะคือชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจเข้าชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจออกชีวิตเนื่องด้วยลมหายใจเข้าและหายใจออกถ้าหายใจออกอย่างเดียวไม่เข้าตายถ้าหายใจเข้าอย่างเดียวไม่ออกก็ตายอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ ห, หายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยสัมพันธ์รักษาทำให้ชีวิตเป็นไปเนี่ยนะ<อ>ชีวิตเนื่องด้วยมหาภูตรูปสี่เนี่ยนะเนื่องด้วยปัทวี0ี่บอาโปสิบสองเตโช สี่วาโยหกเนี่ยนะชีวิตนี่เนื่องด้วยไออุ่นคือเตโชธาที่เกิดจากกรรมเป็นสมุธฐานชีวิตเนื่องด้วยอาหารที่กลืนกินเนี่ยนะชีวิตด้วยอาหารที่กลืนกินเข้าไปเนี่ยนะชีวิตมีเนื่องด้วยอะไรก๋วยเตี๋ยวชีวิตเนื่องด้วยขนมปังเนี่ยอะไรชีวิตเนื่องด้วยข้าวกล้องถ้าข้าวกล้องแล้วมันจะทนอะไรนะชีวิตเราเนี่ยมันเบาบางมากนะดํารงอยู่อาศัยสิ่งเหล่านั้นะ่ะ ชีวิตเนื่องด้วยจิตเออเนื่องด้วยวิญญาณเนี่ยนะแล้วจิตมันมั่นคงมันถาวรมาจากไหนเนี่ยนะรัชกายอันเป็นที่ตั้งแห่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็ดีตัวร่างกายนะเป็นที่ตั้งแห่งลมหายใจเข้าออกใช่ไหมอ่กระดูกอ่ตัวซี่โครงอะนะกล้ามเนื้อซี่โครงกระบางลมเนี่ยนะพวกเนี้ยเป็นปัจจัยให้ฐานให้ปอดมันบีบตัวอ่ะนะให้มันมันบีบมันรัดอะนะให้มันบีบ เ, เพราะเมื่อปอดเนี่ยมันบีบโดยอาศัยกระบังลมเป็นต้นเนี่ยสูบนั่นแหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงมีถ้ากระบังลมเสียเอาหายใจได้ไหมยากถ้ากระดูกซี่โครงหักเนี่ยนะหักหมดเลยหายใจได้ไหมไม่มีกระดูกซี่โครงเลยก็หายใจไม่ได้ทีนี้ถ้าทางเดินของลมเนี่ยมันแตกมันตีบละ่ะก็หายใจไม่ได้ถ้าปอดเสียปอดผุปอดเปื่อยไปเนี่ยนะก็หายใจไม่ได้ แม้กระทั่งทางจมูกเนี่ยอุดตันหมดเลยก็หาย ใ, ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเรียกว่าการชักชกายคือร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งลมหาย ใ, ใจเข้าลมหาย ใ, ใจออกทีนี้อแล้วกรรมอ่ะที่จะทําให้เกิดการชัชกายเกิดมหาภูตรูปอวิชชาสังขารตันหาอุปาทานกรรมพบอันเป็นเหตุเดิมของมหาภูตรูปก็ดีไอตัวปัจจัยนะปัจจัยในอดีต ปัจจัยทั้งหลายก็ดีตัณหาอันเป็นแดนเกิดก่อนก็ดีรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกันก็ดีอรูปธรรมที่ประกอบกันก็ดีขันทั้งหลายที่เกิดก็ดีตัณหาอันประกอบกันก็ดีมีกําลังสามทั้งตัวมันเองก็ไม่ไม่ได้มั่นคงถาวรอะไรเลยปัจจัยที่จะทําให้มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ถาวรเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยใช่ไหมตัวผลก็ไม่เที่ยงตัวปัจจัยก็ไม่เที่ยง ทันพลายเพราะตัวกายก็ไม่เที่ยงมหาพูดก็ไม่เที่ยงรูปน้าก็ไม่เที่ยงคันก็ไม่เที่ยงตันหาก็ไม่เที่ยงแล้วชีวิตที่ดำรงอยู่นี้มันจะเที่ยงมาจากไหนเพราะชีวิตมันอาศัยปัจจัยทัางมากมาย